พระธรรมเทศนาแผ่นที่86ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่30มกราคม2 5 5 9มีชื่อเรื่องว่าหาที่พึ่งก่อนถึงคิวตัวเอง ท่านทั้งหลายได้บูชาพระรัตนตรตัยได้น้องน้อมพระรัตนตรตัยด้วยกายวาจาใจเรียบร้อยแล้วต่อนทีนี้ไปเพื่อเป็นการชาระ ก, กายวาจารใจเพื่รอให้เป็นของบริสุทธิ์สมควรเป็นภาะชนะรองรับคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นเป็นลําดับสืบไปพอเชิญท่านทั้งหลายได้โปรดเปล่งวาจาสมาทานเริจศีนอันเป็นอภรณ์เครื่องประดับที่สูงสุดและงดงาม เป็นข่าวัดปฏิบัติที่ดีของชาวพุทธสืบต่อไปโปรดว่าดังๆพร้อมๆกันมัสยังพันเตวิสุงวิสุงรักนณาทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยจามะ เ, เมื่อกี้ในท่านทายกอนุสาสท่านในพูด เกี่ยวกับพวกเราควรจะนอบน้อมคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างไรนะท่านเป็นปทอ๙นะพูดเข้าท่าเข้าหลักทีเดียวเลยที่หลวงพ่อได้ฟังเมื่อกี้นี้นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรายึดพระพุทธพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นทรณะเป็นที่พึ่งที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นทรณะ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะพระธรรมออกมาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์เป็นพระธรรมอันบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ จนได้ชำระ ก, กายวาจาใจของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นสาวกสังโฆได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกม า, มาประกาศเผยแพร่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังฮะจนมาถึงระยะสงสมมติสงแต่ถึงอย่างไงก็ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกบอกกล่าวแต่พวกเราก็ยอมรับ ในพระธรรมคำสอนของพุทธะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเราจะรับศีลห้านี่นะศีลห้านะไม่ใช่อื่นไกลนะคันตถาญาตโยมถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ไม่บอกกล่าวไม่แนะนำพวกเราก็คงจะว่าศีลห้านะเป็นศีลห่างไกลาจากพวกเราแต่ตามไม่จริงไม่ใช่อยู่กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านคือศีลข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่าคนอื่นเขา ในเมื่อเขาฆ่าเราเป็นยังไงเรามีความรู้สึกยังไงเมื่อเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียความรู้สึกในเมื่อเขามาฆ่าเราเราก็เสียความรู้สึกเพราะนั้นอย่าคิดฆ่ากันนี่ทำคาสอนของพุทธะสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานอธินาทานาวีรเมณีอย่าไปคิดขโมยคนอื่นเขาในเมื่อเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจเสียความรู้สึกในเมื่อเขามาขโมยของเราล่ะ ขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าทายอย่างเนี้ยเรามีความรู้สึกยังไงเสียความรู้สึกเหมือนกันเขาเราข้อที่สมการ ม, มีสมิจฉาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเข า, ข, าขอรักสังวนงหงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาละ่ะเขาก็เสียใจถ้าเขามาร่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือศิลข้อที่สม ข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกงหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาในเมื่อเขามาต้มตุ๋นโกงหกหลอกลวงเราเราก็เสียใจในเมื่อเราไปเขียนเช็คเรื่องให้เขาเขาก็เสียใจถ้าเมื่อเขาเขียนเช็คให้กับเราไม่มีเงินเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นศส้นของพระพุทธเจ้าเขาเราเขาเราไม่ใช่อื่นไกลนะข้าพนะัสตาญาติโยมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ก่อนที่จะประกอบคุณงามความดีก่อนจะสร้างบุญสร้างกุศลท่านให้ชําระกายวาจาให้เรียบร้อยเสียก่อนและสินข้อที่หเป็นศิลพิเศษทําไมเพรว่าสินพิเศษคือสินหลังคาถ้าอาคารหลังไดก็ก็ดีบ้านหลังใดก็ดีนะถ้าหากว่าไม่มีหลังคาบ้านหลังนั้นก็ฝนตกก็เปียกแดดออกก็ร้อนอยู่ไม่สบายเพราะฉะนั้นบ้านต้องมีหลังคา และเมื่อบ้านมีลังคาก่อนเมื่อเราเข้าไปอยู่ก็อาศัยก็สบายมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขสินข้อที่ห้าคือสุราเมรยะมัชฌะประมาทการดื่มสุราและเมลยัยเน่ยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างเออเหมือนคนเป็นบ้าพวกเราจะมีฐานะสูงสงขนาดไหนร่ํารวยขนาดไหนถ้าหาว่าคนนั้นเป็นบ้าขาดสติเส อ, อย่างเดียวเท่านั้นนะ่ะ ทรัพสมบัติโกเดยติโกโหติกายตถาบรรดาศักต์ตำแหน่งเสียหายหมดเพราะอะไรเพราะคนนั้นขาดสติคือคนเป็นบ้าเนะีเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ดีๆทําไมจะไปหาดื่มไปหาเสพทําไมให้มันเป็นขาดสติให้เป็นบ้านนะถึงจะเป็นบ้านชั่วคู่โชคขณะถึงจะปั้มปัป้ปปปปเป๋เปก็ไม่น่าจะให้เป็นนะควรจะให้สมบูรณ์เพราะนั้นศีลข้อที่ห้าเป็นศิงหลังคาบ้าน หลังขาอาคารหลวงพ่อว่านะให้พวกเราท่านทั้งหลายหลับตาน็คนึกคิดดูสิเจงไหมนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนั้ น, นห้าไม่ได้อยู่ไกลจากพวกเราที่หลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนี่คือคือสินรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินถ้าคนมีศินแล้วไปอยู่นสถานที่ใดอยู่ในชมุมชนกลุ่มใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าหากว่าพวกเรา ประกาศแล้วบอกได้แล้วว่าคนที่มีสินห้านั้นจะไม่ติดคุกติดตารางนะจะไม่เป็นคนชั่วนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าคนที่ไม่มีศินขาดสินห้าหรือว่าชุมชนใดขาดศินหามากๆชุมชนนั้นก็เป็นชุมชนที่ไม่น่าอยู่นะเป็นที่รบกวนแคลนใจกันเพราะฉะนั้นพวกเราบรเพบุรุษของพวกเราจึงยกคุณค่าของศินห้าเวลาเราเข้ามา ในงานต่างๆเช่นสาสนาพิธีอย่างนี้ละ่ะ ช, ช, ช, ชุมชนหมู่มากท่านก็ให้พวกเราสมาทานศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยพร้อมกันอย่างน้อยก็ให้เชิดชูบูชาเอาไว้ว่าศีลห้าของพระธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงสมาทานศีลจะไปขอสมาทานศีลเอาต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศีลณที่นะี่เนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะในผูติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสทายะระมหาจะโลกาติปติสัมปติตัญเฉลีอันทิวรังอิยาจทา สันติธาตตาประชักขชาติการเฮตุตุธรรมอนุกรรมปิมังปะชังคณะทศัทยาญาติโยมลูกหลานทุกคนขณะที่ฟังธรรมเทศนาขออยู่ในความสงบเพราะว่าการเทศและการแสดงธรรมของ พระครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยแหละเป็นพระกรรมฐานก่อนที่จะได้ธรรมะมาบอกกล่าวแนะนำประชาชนพี่น้องลูกหลานก็ต้องไปอยู่ในสถานที่สงบสงบงบเงียบไปอยู่ในป่าดงพงพยอยู่ในที่ตามอยู่ตามลำพังเพราะนั้นก่อนที่จะได้ธรรมะมาบอกกล่าวแนะนำพี่น้องลูกหลานได้มาจากสถานที่สงบก้างว่ามีการพูดคุยกัน มีเสียงอะไรคุยกันขึ้นมาอา่นี่แหละอย่างอย่างเมื่อกี้เนะี่ยกำลังคุยกันนี่นะ่ะอ่ได้ยินไว้ปากตัวเองน่นะอา่าได้ยินไหมกําลังพูดอยู่ในความสงบให้งดซะก่อนนะใครอยากจะพูดอะไรให้ออกไปพูดข้างนอกในช่วงนี้นะถ้ามีใครมีโทรศรัพท์ก็ให้ปิดไว้ก่อน เ, อเพราะว่าการฟังธรรมมันมีเวลาจํากัดมีเวลาฟังเท่านั้นนะไม่ใช่ โอกาสนี้ไม่ใช่โอกาสคุยกันเป็นโอกาสฟังถ้าตั้งใจฟังสูส้สังรัตเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาด้ดยได้ต้องมีความคิดอะไสงแห่งการฟังธรรมผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสเพราะฟังหลักเหตุและหลักผลเออแล้วก็สุดตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นเออว่ามีเหตุผลมากน้อยแค่ไหน เมื่อได้ยินในฝังก็นํามากันกรองไตรตองอีกทีนัึงอันนี้ว่าจินตามายะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาธรรมจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณากันกรองไตรตองอีกทีนึงจนเปื่อเกินจนเกิดปัญญาที่แท้จริงอันนี้คือปัญญาในหลังในทางพระพุทธศาสนา ที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้อันนี้คือภาวนามยปัญญาสลบแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังทางนั้นนะลูกหลานนะผู้ที่จะเฉลียวฉลาดจะรู้เรื่องต่างๆได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นวันนี้โอกาสนี้พวกเรามาสู่วัดแห่งนี้นะมาในงานพระราชทานเพลิงสรีละสังขารของครูบาอาจารย์ก็ให้ตั้งใจฟังเพราะมีเวลา เวลาที่พวกเราจะพูดจะคุยกันมีเยอะแยะไปไปหมดเลยมีทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีจะคุยกันที่ไหนก็ได้แต่เราเสียสละเวลามาฟังเพียงส0สิบนาทีเพียงแค่นี้ก็ยังอดไม่ได้แสดงว่าพวกเราไม่ไฟดีนะไม่ไฝ่ในการกุศลไม่ไฝในการศึกษาเรียนรู้เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะตั้งใจฟังและขณะที่หลวงพ่อแสดงธรรมก็ห้ามถ่ายรูปนะถ้าเพื่อถ่ายรูปก็มี เ, เพ่นพ่านวุ่นวายแล้วก็มีแฟตอีกเป็นการลบหวนคนอื่นเขาอีกต่างหากอยู่ให้ดูในความสงบซะก่อนเมื่อหลวงพ่อแสดงธรรมจบเรียบร้อยแล้วจะทานจะถ่ายรูปจะคอยว่ากันนะหลวงพ่อไปห้ามนะเมือม่อเมือม่อเมื่อจุดนั้นเมื่อจุดนี้ผ่านไปแล้วน ะ, ะต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นแล้วนะที่นี่นะจะแสดงธรรมแล้วนะที่นี่นะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณังเมภาวิจติขคยะวิยะธรรมาสังขาราอัปปมาเดนะ สัมปาเดธาตีติวันนี้เป็นวันกำหนดการพระราชทานเพลิงศพพระครูสังวรัศีรสโผลวงแล็บสวรร์ชื่อของท่านชื่อสวรรษอดีตเจ้าอาวาสวัดป่านิโรธรังสีตำบลกลางใหญ่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี ณเมนชั่วคราววัดป่านิโรธรังสีตำบลกลางใหญ่อําเภอบ้านผือจังหวัดบุรีรัมท่านอาจารย์พระครูศีละโสพลท่านบวชมาส0สกว่าพันษาและอายุของท่านก็7จ็ดสบเจดสบเจต้ น, ตนอายุของท่านถ้าจะว่ามากไหมก็ยังไม่ถึงกับมาก แต่จะไม่ไม่ถึงกันน้อยแต่ถึงยังไง เ, เรากำหนดเองไม่ได้ว่าค่าอ า, าเป็นเจ้าจะอายุเท่านั้นปีเท่านั้นเดือน เ, ออเพราะเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นบุคกรรมหรือเป็นกรรมเก่าของแต่ละท่านที่ได้สร้างสมอบรมมาในอดีตชาติที่ถือมาในอดีตชาติในเรื่องชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลาย แต่บางคนเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งที่อยู่ในตระกูลร่ํารวยเพร้อมหมดทุกอย่างแต่พอเกิดมาอายุไม่นานก็ได้ตายลงไปอายุไม่กี่ปี เ, เพราะอะไรกระเพาะกรรมในอดีตในหลักของพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าผู้ที่มีอายุน้อยผู้มีที่อายุน้อยที่อยากไปก็เพราะว่า อันนี้สงสิน5้าข้อที่หนึ่งคือค่าคือได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในอดีตชาติเกิดมาพบต่อไปก็ทำให้ชีชวิตของเขาสั้นชีวิตของเขาไม่ยาวแต่ถ้าว่าผู้ใดเกิดมาแล้วร่างกายสุขภาพร่างกายเมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเปียนตลอดอันนั้นท่นานบอกว่าในอดีตชาติคงเคยหลังแกสรพสัปปตทั้งหลาย เคยฆ่าเคยทุบเคยลังแกสัตว์แต่ไม่ถึงกับฆ่าถ้าถึงกับฆ่าแปลว่าชีวิตของเขาสัน้นแต่ถ้าหากว่าพวกที่ลังแก่ทรลายเบียดเบียนสัตว์เนี่ยทำให้เกิดมาพบหน้าชาติหน้าร่างกายของเราทุกพลภาพอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนากรรมคือการกระทาการทากรรมทาได้สามทางมาโนกรรมคือคิดทางใจว กายกรรมคือการกระทำทางกายวจีกรรมคือคำคำพูดนี่แหละการทำกรรมทํทได้สามนะคณะสัตย า, า, า ญ, ญาติโยมเอา้าทำไมได้ในหลักกฎหมาย <c oughs> นี่แล้วในในหลักพระวินยัยกายกรรมนี่ผิดวจีกรรมผิดแต่ว่ามโนกรรมเนี่ยยังไม่ผิดนะถึงคิดจะฆ่าใครก็ตาม แต่ยังไม่การยังไม่มีกา ร, กรทำออกไปยังไม่มีการพูดออกไปมันยังไม่ผิดนะแต่ว่าในหลักของพุทธศาสนาทางการคิดเฉยๆก็ยังเป็นบาปนะนะ เ, เป็นบาปเบื้องต้นท่านว่างันนะคิดโลภอยากจะได้ของเขาคิดพยาบาทปรองร้ายเขาเห็นผิดอยากทานองครองธรมอันนี้คือคิดในใจในเมื่อคิดออกไปแล้วก็ต่อไปก็กระทำออกไปท่านเอ วิธีการจะโลบของเขายังไงไปป้นไปข่าไปคดไปโกงเขาแทนที่ไหนเออจากนั้นก็ไปพูดไปเบียดไปบังเออไปลอกลวงโกหกของเขาเนี่นี่แหละมันออกไปทางวาจาทางกายทางวาจาแต่มันออกทีแรกมันออกไปจากใจซะก่อนใจต่นนั้นเป็นผู้คิดซะก่อนแล้วก็การกระทําและทางวาจาเออทางกายกันทางกายแล้วก็ทางวาจา นี่แหละอันนี้ก็คือการกระทาในหลักของพุท ธ, ธศาสนาเพราะนั้นท่านจึงให้พวกเราดูต้นต่อของความคิดจะทำยังไงจึงดูต้นต่อความของความคิดตัว น, นี้นะมันคิดดีแล้วมันคิดชั่วเออก่อนที่มันจะออกไปทางกายทางวาจามันต้องคิดซะก่อนมันจะออกไปทางกายทางวาจาเพราะนั้นท่านให้ให้ดูแนวความคิดของตนเองจะทำยังไงจึงให้ดูดูแนวความคิด อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่พระพุทธเจ้าพระบรมครูของพวกเราที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาเนี่ยต้นจะดูแนวความคิดเอาจากความคิดตัวนี้ได้ท่านจะจับอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงไปศึกษาอยู่ทั้ง6ปีนะที่ไปบําเพ็ญอยู่ในป่าพระพุ ท, เทธเจ้าของเราศีรถะของเราไปบําเพ็ญนัหปีค้นคว้าศึกษาสู่สําเร็จในวันนั้นคือท่านท่านนั่งสมาธินะ ท่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นในเมื่อสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกพัดไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง พอรวมสงบลงเป็นหนึ่งรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายเนี่ย เ, เป็นคนละอันกันเออเหมือนกับท่านแยกได้เลยว่าเหมือนกับรถรถกับคนขับรถใจเหมือนกับคนขับรถแต่ร่างกายเหมือนกับรถแต่รถประจายจะไปได้ต้องอาศัยคนขับต้องอาศัยโซเฟอร์ขับนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยต้องมีใจใจอยู่ข้างใน คือนามมัทมตัวนามมัทมนั่นนะเป็นผู้บงการเป็นผู้บังคับให้ร่างกายจะไปจะจะพูดอะไรจะจะทำอะไรให้ใจของเราเป็นเป็นโซเฟอรเออ์เป็นเจ้าของตัวนามมัธิมนในสำคัญเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายท่านให้ความสำคัญโซเฟอร์มากกว่ารถนะ จะว่ามนโนปุกพังเข้ามาทำมามนโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเ mm. พราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้คือพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธคือบรมครูของพวกเราที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโครนต้นโพจากนั้นท่านก็ได้นำพระธรรมคำสอนออกมาหลวงพ่อจะกล่าวแผ่พรบรัท จนมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทนีมาถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ทศของพวกเราที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่เรารักเคารพนักถือเลื่อมใสท่านก็สอนให้พวกเราภาวนาพุทโธเป็นหลักนะเพื่ออยากจะให้ดูใจของพวกเราเนี่ยแหละใจของเรามันคิดอย่างไงแต่ละวี่แต่ละวันแต่ละเวรเวลำเวลาเพราะนั้นท่านให้มีสติสัมปชัญญะ กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านแนะนําสั่งสอนคารวาสญาติโยมก็ทําทได้ฉันว่างารน่ะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่การให้ทานรักรักษาศีลสู้นั่งภาวนาไม่ได้ที่ท่านบอกเราอย่างนั้นเพราะว่าการนั่งภาวนาเป็นการดูจิตใจของพวกเราเพอต้นตอเรื่องทั้งหลายบุญและบาปออกมาจากจุดนั้นเพราะนั้นให้ พวกเรานั่งกานั่งสมาธอิอย่างพวกเราอยู่ในบ้านทําได้ไหมได้ทําอยู่ในบ้านก็ได้เรื่องสมาธิไม่แปลกนะวันไหนที่วันพวกเราวันที่มันว่างๆง ส, งสงบสงบนะ อ, อยู่ในความสงบเที่ยวันพระหรือวันว่างๆพวกเราก็ไปเข้าไปกราบกราบพระในห้องพระของเราหรือว่าในมุมสงบ เราจะนั่งภาวนาไปรกราบพะระปนมมือขึ้นมาก็ได้ไม่ถึงกับกราบพระก็ได้ปนมมือขึ้นมาในใจนะออพอนั่งกับสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเรียบร้อยแล้วนะเราก็ปนมมือขึ้นในระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนพุทธโธธ ร, รมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธ ร, รมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็นั่งปนมือ แผ่เมตตาอีกรอบอีกก็ได้บ่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วตรโลกธาตุดวงวิญญาณพกดวงวิญญาณขอให้มีความสุขอย่างที่ที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณด้วยเถิดอันนี้ก็คือการแผ่เมตตาเป็นภาษาใจนะ คล้ายๆว่าเราจะนั่งภาวนาเราจะไม่คิดเบียดเบียนอาคาตพยาบาทจองเวรกับใครๆทั้งหมดในจักรวาลเราให้เมตตาต่อสรรว์สัตว์ทั้งหลายขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาจากนั้นก็เอามือลงพ อ, อมือลงแล้วกาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถอันนี้คือบริก ร, บรกรรมสายของหลวงปู่มั่น คือบอกว่ายุคสมัยนี้เขาบอกว่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นวริกรรมให้ภาวนาสายพุทโธเขาว่างานนะแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโปในวันนั้นวันเดือน6เพ็นนั้นพระองค์มีกรรมหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกท่านไม่ได้บริกรรมพุทโธแต่มาถึงหลวงปู่มั่นของเราท่านแนะนําหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงตามหาบัวหลวงปูออ่อ่อนหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่เขาท่านบอกว่าถ้ากําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดได้ง่ายเนอะอให้กําหนดถ้าสำทับด้วยพุทโธน่นจะมั่นจะแน่นกว่าเพราะนั้นให้เวลาหายใจเข้าบริกรรมพุท หายใจออกบริกรรมโถดโถดโทดเอ่อมันจะมันจะดีกว่าจะอบกว่านะทดลองดูนะแต่ถ้าหากว่าจะจิตบริกรรมเอ่อแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยก็ได้เออไม่เป็นไรแต่ถ้าชำับกับพุทธโธเข้าไปนี่ยโดยมากจะแน่นกว่าดีกว่าเาพราะมันมันมีมันมีเป็นสิ่งที่กำหนดนะ นี่ะอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าววฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะักนัศรัทธาญาติโยมเวลานั่งภาวนาดูใจของตนเองในเมื่อเรานั่งภาวนาจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบนิ่ง เ, เมื่อจิตใจเรานน่งเราจะรู้ได้ว่าเราจิตใจของเราเราคิดนึกนกคิดเรื่องอะไรเ อ, อ๊มันเป็นยังไงทีงนี้เราดูได้ว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตในใจของเราเราจะรู้ได้เลยทีนี้ เอ้มันมันปุงฟู้งยังไงมันโมโหโกธาอย่างไรเออย่างนี้แหละแต่จิตใจของเราเข้าสุ่ความสงบแล้วนั่นแหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคระบัศรัท ธ, ธาญาติโยมเพียงสงบเป็นพื้นฐานเท่านั้นก็น่าจะมีความสุขนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานักศรัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะพยายามนั่งภาวนาเพราะเราเป็นลูกศิษย์ ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานในเขตอำเภอบ้านผือน้ำโสมนายงแถบนี้นะสีเชียงใหม่ล้วนแล้วแต่เป็นสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านเคยมาอยู่ที่เนี่ยบ้านน้องกองบ้านข้อนาลายเนี่เป็นต้นตระกูลของที่ท่านคงจะเห็นอุปนิสัยของลูกของหลานในท้องถิ่นของพวกเราจืดยาวนานท่านจะมาปลูกฝังอุปนิสัยในถิ่นนี้เอาไว้ เพราะนั้นพวกเราให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารเน่าถ้าวัดยึดตามแนวแถวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารหลวงปู่หลวงตาพาดำเนินหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกลูกหลานทั้งหลายจะร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขกายสุขใจอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีแต่ความผาสุขให้มองกันการอยู่ด้วยกันให้มีเมตตาต่อกัน ให้มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันให้รัก เ, เหมือนกับพี่กับน้องที่อยู่ด้วยกันถ้ามีอะไรกบแบ่งสรรปันส่วนกันพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันเพราะว่ า, าพวกเราอยู่ด้วยกันน่ะไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างจากไปแล้วนะอย่างท่านอาจารย์พระครูของพวกเราเนี่ยแหละท่านมาอยู่ที่นี่ก็หลายปีท่านให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พี่น้องลูกหลาน สอนศีลถอนสอนทำให้กับประชาชนมาเกี่ยวข้องวันพระวันเจ้าถ้าพาไหว้ผ้ารักษายศีลภาวนา อ, อย่างน้อยท่านกับเปิดธรรมเทศนาครูบาอาจารย์ให้พวกเราได้ยินได้ฟังอย่างน้อยก็เป็นการปลูกฝังนิสัยอุปนิสัยรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ้ะเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาหลวงพ่อวหาได้ยากนะ เ, เกิดมาได้พบใน มาในพื้นแผ่นดินไทยนี่นะได้อยู่ในใต้ร่มเงาพระบรมพอที่สมผานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยถ้าเราคิดดูใช่ว่าอย่างประเทศอินเดียใช่ไต้นตาต้นพระพุทธศาสนาเกิดที่นั่นนะแต่พระพุทธศาสนาหมดออกไปเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชน เป็นพุทธศาสนูประถมภพนะศาสนาอื่นเข้ามากระทําให้ประเทศอินเดียหมดพุทธศาสนาจึงมาอยู่ที่เมืองไทยเมืองอยู่ที่เมืองไทยเพราะพุทธศาสนาอยู่ที่เมืองไทยได้เพราะพระบาทสําเร็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ดํารงเป็นพุทธศาสนูประถมภพเป็นผู้อุปถัมภ์ค้าชูพุทธศาสนาพวกเรามาคิดดูใช่ว่าพุทธศาสนาของเราเป็นาศาสนาเหตุผล ออย่างที่หลวงพ่อได้โพดเบื้องต้นว่าเรื่องศีลห้าอย่างนี้เป็นต้นนะเ อ, อเขาเราเขาเราก็ล้วนแล้วแต่เมื่อเราต้องการความสุขกายสุขใจเราก็อย่าเบียดเบียนคนอื่นเขาต่างคนก็ต่างอยู่ในกรอบของศีลธรรมทุกคนที่อยู่ด้วยกันมากก็ร่มเย็นเป็นสุขไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะอะไรเพราะว่าศีลธรรมคุ้มของแต่ว่าพวกเราเต่างมีที่รับต่างมีที่แจ้งเ อ, อ แล้วก็มีแต่คิดจะเบียดเบียนรังแกสังหารฆ่ากันพวกเราคิดดูที่พวกเราจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรเพราะนั้นพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานมหีหลวงปู่เทศหลวงปู่เหรียญหลวงปู่จันสม หลงปูต่างๆในถิ่นของพวกเราเป็นที่น่าพอใจปลื้มใจเป็นถือว่าเป็นพวกเราเป็นผู้มีบุญมีกุศลนะคณะทศาญาติโยมเพราะฉะนั้นพวกเราอยากให้ขาดตกบกพ่องในการบำเพงคุณงามความดีให้เชื่อบุญเชื่อกุศลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดให้พวกเราคิดว่าตายแล้วเกิดนะ ทำไมจังหวาตายแล้วเกิดอย่างที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเรานี่ยนะเวลาท่านสอนท่านบอกว่าอยากจะรู้ตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูตรนะให้นั่งภาวนาเนาะอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้สูตไม่ต้องคิดไม่ต้องเดาไม่ต้องคาดคะเนนให้นั่งภาวนาในเรื่องนั่งเมื่อนั่งภาวนาจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตใจเน่งสงบรวงเป็นหนึ่ง กายกับใจใจกับกายมันจะแยกกันเป็นละคนละอ่านกันะนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจจะเห็นได้ชัดเหมือนรถกับคนขับรถอย่างลักษณะอย่างนั้นแหละแต่นี้ท่านจึงดูว่าเนี่ยคนขับรถเนี่ยสำคัญใจนี่แหละสําคัญใจตัวนี้แหละจะพาไปตกนรกจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้ตัวนี้แหละมันไม่ศูนย์แต่ร่างกายนี่ศูนย์แน่อย่างลง พ่อสวรรค์ของพวกเราเนี่ยอีกไม่กี่นาทีนี่แล้วก็จะประชุมเพลิงแล้วร่างกายของท่านก็จะแตกแล้วตินร่างกายใจของท่านก็จะออกและะ้วติออกจากร่างแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหลวงพ่อเคยพูดว่าพวกเราหาเงินคำทรัพสมบัตินี่ได้มากน้อยแค่ไหนด่หามรามาได้มากขนาดไหนพอหามมาแล้วก็ส่งส่งพวกเราถึงโรงพยาบาล เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ส่งถึงโรงพยาบาลเอแล้วก็ออกมาแล้วก็ส่งเข้าไปอีกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพอในสุดถึงโรงพยาบาลพอเสี็ดแล้วก็หมอเอาไม่ไหวหมอเอาไม่ไหวก็สุดที่สุดก็ตายตายในโรงพยาบาลจากนั้นก็เอาศพมาพอเอาศพมาพี่น้องญาติโกโหตีกาญาติชนิดมิตสหายที่รักเคารพนับถือเรื่อง ขนาดไหนก็เถอะนะที่มาดูแลเราญาติพี่น้องส่งถึงเมนตะคอยดู น, นี่นะหลวงพ่อสวรรค์ของเราเนี่ถึงจะเป็นญาติลูกอุปถัมภ์ประทาใกล้ชิดรักท่านขนาดไหนก็เถอะนะอพอเสร็จแล้วพวกเราก็ขึ้นวางดอกไม้จันทร์พอวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วพวกเราก็ขึ้นไปก็ตั้งจิตอธิษฐานเอหลวงพ่อสวรรค์เออที่ผมได้กระทำกับท่าน ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งใดก็ตามท่านโปรดอโหสิกรรมให้กับผมด้วยแต่ท่านก็เหมือนกันที่ได้ท่านได้กระทํากับผมสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมผมยินเดียโหสิกรรมให้กับท่านขอให้ท่านไปดีเนะหลวงพ่อสวัสดีเนะจากนั้นพวกเราก็โอมมานั่งนั่งเก้าอี้คอยอาจากนั้นก็ประชุมเพลิงในนี้แหละ เมื่อประชุมเพิงเสร็จแล้วนะ่ะหลวงพ่อสวรรค์ลนะ่ะทเนใจของท่านคือนามธรรมของท่านนะ่ะท่านก็จะบอกอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรติยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของข้าพเจ้าเองนี่แหละใจของท่านออกจากร่างนะนั่นทเนนะเมื่อท่านใจออกจากร่างของท่านถ้าหาว่าท่านได้บำเพ็ญคุณงามความดี ใจิตใจของท่านได้เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกธาอนาคาอรหรันท่านก็ไปก็ตามกติภูมิของท่านแต่ถ้าว่าท่านทํากรรมที่ไม่ดีกรรมไม่ดีของท่านท่านก็จงได้รับแต่เนี่ยไปตามกติกติธรรมของกติกรรมของท่านที่ท่านได้กระทาไว้ อ, อย่า ง, ง, งเมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพวกเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ แต่เงินถึงจะหามามากน้อยแค่ไหนส่งถึงโรงพยาบาลแต่ญาติโกของวตถิการรักขนาดไหนส่งถึงเมนแต่นอกจากนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเร า, าเท้นเถ้าเราทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลนั่นแหะจะเป็นเพื่อนสองของเราถ้าเราทําบาบาวก็เป็นเพื่อนสองถ้าเราทําบุญบุญก็เป็นเพื่อนสองนำจิตใจของเราไปสู่สุขติภูมิถ้าเราทําบาปบาวก็จะพานําเราไปสู่ตกนรกหมกไหม หรือไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉันนานาช น, น, นิดเพตอะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะว่าทุกคนทุกชีวิตก็อย่างที่หลวงพ่อเนยกเป็นพุทธภาสีเบื้องต้นว่ามรณงเมผะวิสติมรณงเมแปลว่าข้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าให้คิดไว้อยู่ในคิดไว้ในใจเสมอข้าพระเจ้าจะต้องตายจะต้องหนีออกจากโลกนี้แน่นอนมรณงเมพบ พละนมรณงเมผวิจติและกะขยัวยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายไม่ม่มีไ ม, ไ ม, ไม่มีความว่าเที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งทุกคนจะต้องไปไหลไปสู่มรณะภัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงประกอบความดีทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ ท่านให้ถึงพร้อมหรือความไม่ประมาทประโยชน์ตนก่อนนี่ยเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อญาติโกโหติกาต่อพ่อแม่พี่น้องต่อวงศสาคขาญาติเราจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอะไรได้บ้างเราก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมแต่ประโยชน์ตนก็อย่าได้ประมาทประกอบคุณงามความดีสังสมบูรณ์กุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจใจคลองแล้วละ ใจของเรานั่นแหละจะเป็นคลังของบุญใจของเราของเรานั่นแหละจะเป็นคลังของบาปบาปปูนเข้าสู่จิตใจนะ่ะพี่น้องประชาชนในเมื่อโซโฟเฟอร์ไปทําสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยเขาไม่ได้จับรถนะเขาจับโซเฟอร์นะเออเขาจับโซเฟอร์ไปเข้าคุกเข้าตลาดอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่ อ, อบาปกรรมทั้งหลายมื่อถึงจุดนั้นอนะ่ะบาปกรรมทั้งหลายเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของ พวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราสั่งสมแต่คุณงามความดีให้สั่งสมแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจในเมื่อบุญกุศลเข้าสู่จิตคู่สู่ใจแล้วออกจากร่างนี้แล้วนะบุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองนะพวกเราจะไปสู่สุขติภูมิเป็นเลือกเกิดที่ไหนได้ทั้งนั้นไปเลยเพราะบุญพาไปเกิดนะเพราะเราได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้นะเพราะนั้นขอในการกล่าว สังเวทเทนิยกถฐาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระษีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลคุ้มครองโดยอนุภาพบุญบรมีของพระครูสังวรศีรสโผนหลวงพ่อสวรรค์ของพวกเราที่ท่านที่ท่านได้บำเพ็ญ คุณงามความดีมาทั้งส0สิบกว่าปีขอให้มาคุ้มครองคณะสถาโยกญาติโ ย, ยมลูกหลานขอให้ลูกหลานคณะสถานญาติโยจงเป็นสุขสุข ก, กายสุขใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธิน